สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัทกรคุณชอบเล่าวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีหัวขาดผีหัวขาดทุกท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยได้รับชมจากภาพยนตร์ไทยที่เคยสร้างมาแล้วหลายๆเรื่องนะครับแต่เรื่องผีหัวขาดที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังนี้มันเป็นตำนานผีหัวขาดแห่งญี่ปุ่นครับจะมีความแตกต่างจากผีหัวขาดแบบไทยยังไงขอเชิญทุกท่านรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับ เมื่อประมาณ500ปีก่อนในะประเทศญี่ปุ่นมีสมัยหนุ่มคนหนึ่งชื่ออิโซงไงอิโซไงสืบสายเลือดมาจากบรรพบุรุษที่เข้มแข็งและมีพรสวรรค์นในการสู้รบตลอดจนมีพลังกายที่แข็งแกร่งผิดธรรมดาวกว่าคนทั่วไปเมื่อถึงวัยเยาว์อิโซไงก็เก่งกับครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นวิชาฟันดาบยิงธนูหรือพุ่งแลหล่เหล่าเมื่อโตเป็นหนุ่มเขากลายเป็นนักรบที่กล้าหาญมีความสามารถมาก ได้รับเกียรติอย่างสูงในสงครามเอเคียวซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีคิดษรักรา 1, ถึง2 9 1 4 4พเป็นการสู้รบที่ยืดเยื้อติดต่อกันนานหลายปีต่อมาคุณนางผู้เป็นนายของเขาก็ประสบกับภัยพิบัติอิโซงายจึงไม่มีนายที่จะให้เขาพึ่งพิงอีกต่อไปอันที่จริงคนเก่งและมีความสามารถของเขาจะไปอยู่กับไดเมียวหรือว่าคุณนางท่านใดก็ได้แต่ด้วยจิตใจที่จงรักภักดีต่อเจ้านายเก่า และที่ผ่านมาเขาไม่เคยรบเพื่อชื่อเสียงของตนเองเลยได้แต่ทำตามหน้าที่เขาจึงตัดสินใจออกบวชทิ้งชีวิตความเป็นคารวาสเขาโกนหัวนุ่งห่มจีวรใช้ชื่อว่าพระไครเรียวแล้วจึงออกธุดงตามป่าเขาต่อไปแม้ว่าเขาจะหุ่มคลุมจีวรแต่หัวใจเขาก็ยังกล้าหาญดุดนักรบสมุไร เขาเคยหัวเราะให้กับพยานอันตรายเช่นไรเขาก็ยังหัวเราะได้เช่นเดิมพระไครเรยวได้เดินทางทุดงไปเรื่อยๆสั่งสอนทุกคนที่เขาเดินทางผ่านไปตามหมู่บ้านต่างๆตามชนบทชายป่าต่างๆห่างไกลไปยังดินแดนที่ไม่มีพระรูปใดกล้าทุดงไปถึงโดยไม่สนใจว่าลมฟ้าอากาศจะเป็นเช่นไรทั้งๆที่สมัยนั้นการเดินทางทุดงในที่เปลี่ยวเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเพราะอาจจะพบกับ สิ่งที่น่ากลัวผู้มีความเหี้ยมโหดสัตว์ร้ายนานาชนิดถึงแม้จะเป็นพระก็ตามก็อาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาพระไคเรียออกเดินทางครั้งแรกโดยแวัที่มณฑลไค่ขาวันหนึ่งขณะที่เดินทางผ่านภูเขาความมืดเริ่มปกคลุมก่อนที่ท่านจะไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปแถวนั้นเป็นที่เปลี่ยวท่านจึงคิดว่าจะจำวัดอยู่บนพื้นหญ้าในภูเขาใต้แสงดาวนี่แหละ และก็ลงนอนริมทางเดินตั้งใจว่าจะหลับทันทีเพราะเคยชินกับความไม่สบายกายไม่สบายใจมามากแล้วในสงครามก้อนหินก็เปรียบเสมือนที่นอนอย่างดีร่างกายของพระไคเรียวเหมือนท่อนเหล็กน้ำค้างหรือสายฝนมะไม่อาจทำอันตรายท่านได้แม้แต่น้อยพระไคเรียวนอนลงได้ไม่ทันไลก็มีชายคนหนึ่งเดินแบกขวานและทนฟืนผ่านมาชายคนนั้นหยุดยืนมองพระที่นอนอยู่เงียบๆแล้วจึงพูดด้วยเสียงประหลาดใจว่า หลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่เป็นคนชนิดไหนนะมานอนอยู่แถวนี้ได้ที่นี่มีแต่ผีและกษัตริย์หน้าขนไม่กลัวบังหรือครับพระไครเอลได้ยินตอบว่าอัตมาเป็นพระธุดงค์เหมือนผู้ที่มากับลมกับฝนอัตมาไม่กลัวพวกหน้าขนดอกไทโยมหมายถึงผีหมาจิ้งจอกหรือผีตัวแบ็เจอร์แล้วก็พี่อะไรก็ไม่กลัวทั้งนั้นอัตมาชอบอยู่ตามที่เปลี่ยว เพราะเหมาะสำหรับการทำสมาธิอัตมานอยกลางแจ้งจนเคยชินแล้วไม่เคยผัววงเรื่องชีวิตตัวเองหรอกหลวงพี่หนีใจกล้าจริงๆชี่มานอนในที่อย่างนี้ใครๆเขาก็กลัวที่นี่ทั้งนั้นมีคากล่าวว่าถึงจะเก่งก็ไม่ควรเสี่ยงผมขอเตือนหลวงพี่นะแถวนี้เป็นอันตรายมากจริงๆขอรับผมมีกระท่อมหลังคามุงจากเก่าๆแต่ก็อยากจะนิมวลหลวงพี่ให้ไปพักที่นั่นสักคืน ผมไม่มีอะไรจะถวายให้ฉันแต่อย่างน้อยก็ยมีหลังคาให้หลวงพี่ได้พักพิงชั่วคราวโดยไม่เป็นอันตรายขอรับคนตัดฟืนพูดด้วยสิงแสดงความมีน้ำใจพระไครเรียวจึงยอมเดินตามเขาไปทั้งสองเดินทางไปตามทางแคบๆลดเลี้ยวเคี้ยวคดเข้าไปสู่ป่าไม้ภายในภูเขาทางเดินก็ขรุขระน่ากลัวอันตรายบางคราวต้องเดินเรียบขอบหิ้ว บ่อยครั้งก็เดินเหยียบไปทามรากไม้ที่แสนลื่นเพราะไม่มีเส้นทางอื่นอีกและบางทีก็ยังต้องเดินผ่านชะโงกหินอันแหลมคมและที่สุดพะไครเรียวก็มาถึงที่โล่งบนเดินภูเขาลูกหนึ่งดวงจันทร์ส่องแสงสว่างอยู่บนฟ้าเพราะคืนนี้เป็นคืนเดินเพ็นท่านเห็นกระท่อมหลังเล็กๆหลังคามุงจากมีแสงไฟลอดออกมาจากภายในพอจะริบดีคนตัดฟืนเดินนาหน้าท่านเข้าไปในเพิงหลังกระท่อม ให้พระล้างหน้าล้างเท้าด้วยน้ำเย็นให้สดใสาตามท่อไม้ไผ่จากทานลำน้ำใกล้ๆถัดจากเพิงเล็กไปเล็กน้อยเป็นสวนครัวมีดงต้นสนกอไผ่มองออกไปไกลก็จะเห็นน้ำตกไหลเป็นสายมาจากที่สูงเมื่อยามต้องแสงจันทร์สายน้ำก็สกาวไหวระริกราวกับเสื้อคลุมสีขาวตัวยาวกำลังสะบัดพลิ้วพระเรียเดินตามคนตัดฟืนขึ้นมาในกระท่อมเห็นคนสี่คน หญิงสองและชายสองกำลังนั่งผิงไฟกันอยู่ภายในห้องด้วยเตาเล็กๆคนทั้งสี่ได้โค้งคารวะอย่างนอบน้อมเมื่อเห็นพระท่าทางดูเป็นผู้ดีจนอดสงสัยไม่ได้ว่าคนเหล่านี้คงจะมาจากครอบครัวของตระกูลคนชั้นสูงหรือไม่ ก, ก็ได้รับการอบรมจากผู้รู้ระเบียบของคนชั้นสูงพระไครเรีวหันไปทางเจ้าของกระท่อมและถามเจ้าของกระท่อมว่าสังเกตจากถ้อยคำที่โยมพูดและกิริยามารยาทของคนในบ้านโยม สงสัยว่ายมคงไม่ใช่คนตัดไม้ธรรมดาสามัญเป็นแน่เมื่อก่อนโยมเคยเป็นผู้ดีใช่หรือไม่คนตัดฟืนยิ้มแลวตอบว่าหลวงพี่เข้าใจถูกต้องแล้วครับเมื่อก่อนผมเคยมีตำแหน่งสูงแต่ผมผิดเองชีวิตจึงต้องล่มจมมาอยู่ถามกลางป่าอย่างนี้ผมเคยเป็นคนรับใช้ของท่านในเมียวได้รับยศสูงมากแต่ผมก็หลงไหลหลงผู้หญิงหลงสุราตลอดจนประพฤติ ช, ชั่ว จึงเป็นเหตุให้บ้านของผมประสบความหายยนะมีคนตายหลายคนต้องชดใช้กรรมอยู่นานผมพยายามสวดอ้อนวอนให้ชดใช้กรรมหมดไปเร็วๆจะได้ตั้งวงตระกูลสืบไปแต่เกรงว่าจะทำไม่สำเร็จอีกแล้วครับจึงพยายามชดใช้โดยการช่วยเหลือผู้โชคร้ายผู้หลงทางเพราะคิดว่าการล้างบาปอย่างนี้มันน่าจะทาให้ชีวิตของผมดีขึ้นได้ขอรับพระครเคยเรีได้ฟังรู้สึกพอใจโยมเอย อัตมาเคยเห็นคนหนุ่มที่หลงด้เริงในวัยหนุ่มแต่กลับใจเป็นคนดีได้ในเวลาต่อมาภายหลังในพระสูตรก็กล่าวว่าผู้ที่กระทำผิดอยงหนักอาจกลับตัวเป็นผู้ที่ทําความดีอย่างใหญ่หลวงได้เพราะกลับตัวกลับใจได้ทันโยมก็เป็นคนจิตใจดีอัตมาจะขอให้โยมโชคดีคืนนี้อัตมาจะสวดมนต์อำนวยพรให้โยมล่วงผลบาปกรรมและพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายที่เคยสร้างไว้แล้วพระก็ขอตัวไปพักผ่อน คนตัดฟื้นก็พาพระเข้าไปนอนในห้องพักเล็กๆซึ่งปูที่นอนไว้แล้วจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนและหลับไปตามอัธยาศัยตามมุมของแต่ละคนยกเว้นแต่พระไคเรียวผู้ซึ่งยังคงท่องมนต์อยู่ท่ามกลางแสงแตะเกียงริบรีพระไคเรียวสวดมนต์อยู่นานแล้วแง้มหน้าต่างออกไปชมภูมิประเทศเบื้องล่างของเนินเขาเป็นยามดึกที่สวยงามมากของฟ้าปราศจากเมฆหมอกลมสงบ เห็นเงาใบไม้ทัดเจนในแสงจันทร์หยาดน้ําค้างสะท้อนแสงแพรวพรวเสียงจักรจันรเรไรก็ฟังดูคล้ายเสียงดนตรีเสียงน้ําตกกระหึมอยู่ในความมืดทําให้พระเครเรียรู้สึกกระหายน้ําและนึกถึงท่อไม้ไผ่หลังกระท่อมจึงคิดว่าจะไปรองน้ําดื่มโดยไม่รบกวนท่านเจ้าของบ้านดีกว่าท่านไคยเรียวค่อยๆเลื่อนบานประตูกั้นห้องเล็กๆออกจากห้องใหญ่และเมื่อมองไปในห้องนั้นก็เห็นร่างห้าร่างนอนอยู่แต่ก็ต้องตกใจ เท่าร่างแต่ละร่างนั้นไม่มีหัวอยู่เลยทั้งตกใจและประหลาดใจนึกว่าเกิดการสังหารหมู่เกิดขึ้นแล้วแต่พอดูจริงๆก็เห็นว่าไม่มีรอยเลือดและที่คอก็ปราศจากรอยแผลไม่เหมือนกับโดนมีดหั่นหรือของมีคมพระไคเรีวจึงคิดในใจว่านี่อาจเป็นภาพหลอนเพราะผีมาหลอกเราหรือไม่ก็เราก็ถูกหลอกลวง ม, มาได้ถินของผีคอขาดก็เป็นได้ในตำราที่เคยอ่านก็บอ ก, กว่าผีคอขาดเนี่ย ถ้าย้ายร่างผีคอขาดได้ไว้ที่อื่นหัวจะกลับมาต่อกันอีกไม่ได้เพราะหาตัวไม่พบถ้าหัวกลับมาไม่เจอตัวหัวก็จะกระแทกลงพื้นกระเด้งไปสี่ครั้งก่อนที่จะตายเป็นจริงๆเอถ้าเราตกอยู่ในถิน่นของผีคอขาดจริงๆแสดงว่าผีมีเจตนาร้ายกับเราแล้วเห็นทีต้องจัดการตามที่ตำรา บ, บอกเมื่อคิดได้พระไครเรีวจึงค่อยๆลากร่างทั้งห้าร่างค่อยๆท ย, ยอยลากไปเอาไปผลักลงตรงนอกบ้าน ตรงที่เป็นเนินเขาลงไปจากนั้นก็เดินไปที่ประตูหลังบ้านสำรวจดูรอบบ้านเห็นว่าประตูลงกรอนอย่างดีแสดงว่าส่วนหัวลอยออกไปทางปล่องพันที่หลังคาซึ่งเปิดโล่งอยู่จากนั้นพระไหเลียวก็ค่อ ย, ค, อยค่อยถอดกรอนออกและเดินเข้าไปในสวนค่อยๆยย่องไปในทางที่มีดงไม้ได้ยินเสียงพูดมาจากที่นั่นพระจึงย่องต่อไปเพื่อหาเสียงพูดโดยแฝงกายอยู่ในเงามืด ค่อยๆกะเถิบไปทีละน้อยทีละน้อยจวบจนเห็นหัวทั้งห้าหัวกำลังลอยไปลอยมาคุยกันอยู่บางครั้งก็หยุดกินมดกินปลวกที่เดินอยู่บนพื้นดินและตามต้นไม้แต่เนื่องจากท่านเป็นสมุไรเก่าเรื่องอย่างนี้ท่านไม่เกรงกลัวอยู่แล้วและก็ได้ยินเสียงคนตัดฟืนพูดว่าฮึมพระธุดงค์ที่มาพักในกระท่อมคืนนี้อ้วนปเลยถ้าได้กินพวกเราคงพุงกลางไปตำตำกันแนหะ ข้าก็โง่แท้ที่ไปบอกพระอย่างนั้นพระก็เลยนั่งสวดมนต์ให้ดูวิญญาณข้าเสิ้นนานจะเข้าไปใกล้เวลาสวดมนต์ก็เข้าไม่ได้แตะต้องก็ไม่ได้เออนี่เกิดใกล้จะรุ่งเช้าแล้วพระคงนอนหลับแล้วล่ะใครไปดูที่บ้าน ห, หน่อยสิว่าพระกําลังทำอะไรอยู่เราได้ได้จัดการกันสัทีและหัวของผู้หญิงก็ลอยขึ้นจากพื้นแกว่งโอนเอ็นไปที่กระท่อมอย่างแผ่วเบาเหมือนข้างเขาบิน หัวเนีนหายไปชั่วอิจใจเดียวก็กลับมาพร้อมร้องสิงแหบสิงหลงด้วยความตกใจว่าพระธุงหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้ยินเวกท่อมที่แย่กว่านั้นอีกร่างของหัวหน้ากับของพวกเราหายไปหมดเลยหัวคนตัดฟื้นได้เป็นหัวหน้าพีศดารได้ยินอย่างนั้นก็แสดงอาการตกใจดวงตาเบิกโพลงเลือกลานเส้นผมตั้งชันแยกเขี้ยวลี่ยิงฟันน้ำลายไหลพรากด้วยอาการโกรธและร้องออกมาสุดเสียงว่า ข้าต่อหัวของข้าเข้ากับร่างไม่ได้แล้วเพราะร่างของข้าถูกเคลื่อนย้ายไปข้าจะต้องตายเพราะพระธุดงคนั่นแท้ๆก่อนข้าจะตายข้าจะจับพระมาฉีกเป็นชิ้นๆและขมือบเสียให้เกลี้ยงนะ อ, อะไรอยู่ใต้พุ่มไม้น่ะเฮะยนั่นไงมันแอบอยู่หลังต้นไม้นั้นพวกเราเห็นไหมเห็นไอ้พระอ้วนหนางโง่เด่นไหมว่าแล้วหัวต่างๆก็พยายามมุ่งตรงไปหาท่านพระใครเรียว แต่พระไคเรียวยังคงมีสติเมื่อเห็นว่าปีศาจกำลังเข้ามาหาจึงถอนต้นไม้ต้น ย, มยม่ำๆฟาดหัวทั้งสีนั้น็นคนละทิศคนละทางด้วยความแรงหัวปีศาจทั้งสี่ลอยหนีไปหัวของหัวหน้าถูกตีเข้าอย่างจังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่ยอมหนีด้วยความแข็งพยายบาัดยังคงพยายามพุ่งเข้าทำร้ายพระอยู่ในที่สุดก็งับเอาปลายจีวรด้านที่พันแขนซ้ายของพระเอาไว้ได้พระไคเรว ย, ยึดมวยผมที่หวนไว ฟาดเอาเข้ากับต้นไม้อย่างแรงอีกหลายครั้งแต่ผีก็ไม่ยอมอ้าปากปล่อยจีวรนที่คาบไว้แม้จะร้องด้วยความเจ็บปวดและค่อยๆหมดแดงต่อสู้หัวนั้นก็ค่อยๆห้อยนิ่งอยู่กับจีวรนแต่ไม่ยอมแม้จะอ้าปากยังคงงับจีวร อ, อยู่แสดงว่าตายไปแล้วพระไคเรีวที่แม้จะมีเรี่ยวแรงมากก็ไม่สามารถที่จะง้างปากของผีให้หลุดออกจากจีวอได้จึงต้องปล่อยให้หัวปีศาจติดอยู่กับจีวรตรงแขนช่องข้างซ้ายข้างนั้น เมื่อท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเริ่มเป็นสีเรืองรองแสงทองแสดงว่าใกล้จะเช้าตรู่แล้วพระไครเรียวรู้ดีว่าผีมีอำนาจเพียงชั่วกลางคืนเท่านั้นจึงได้ย้อนเข้าไปที่กระท่อมและเก็บของใช้อีกเล็กน้อยเพียงไม่กี่ชิ้นและจึงเดินทางทุดดงต่อไปลงจากเขาพระไครเรียวเดินทางไปจนถึงตบนสุวะในจังหวัดชินาโนเมื่อได้เข้าไปถึงในตัวเมืองแล้วท่านก็เดินช้าล ผู้ผู้หญิงเห็นหัวปีศาจที่ติดอยู่กับจีวรของพระท่านถึงกับเป็นลมเด็กๆร้องเสียงหลงเพราะว่าหัวท th ี่ light, blonde, Penny, ติดมานั้นมันน่ากลัวมากฝูงคนเริ่มเข้ามาดูเริ่มเข้ามามุงโจ์ขานกันไปต่างๆนานาตำรวจไม่เห็นจึงได้จับพระไปขังไว้ในโรงพักเพราะเข้าใจว่าหัวนั้นเป็นหัวของชายที่ถูกฆ่าตายซึ่งคงจะงับจีวรไว้ในวินาทีสุดท้ายที่ตัวเองจะถูกฆ่าเป็นแน่ ส่วนฆาตกรก็น่าจะเป็นพระนี่แหละตำรวจซักถามพระใครเรียวอย่างไงพระใครเรียวก็ไม่ตอบได้แต่ยิ้มคืนนั้นท่านจึงต้องจำวัดที่ห้องขังตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันพระใครเรียวถูกนำตัวไปขึ้นศาลประจำจังหวัดหัวคนมาเกาะติดอยู่ที่จีวอนได้อย่างไรและเพราะเหตุใดจึงกล้าประจานความผิดของตนเองโดยเอาหัวของคนห้อยไปห้อยมาที่จีวร โดยมาเดินให้ใครต่อใครดูหัวที่ติดอยู่กับจีวอนของตนเองอย่างนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระนั่งฟังข้อความกล่าวหาจนจบแล้วก็หัวเราะเสียงดังก่อนที่จะตอบว่านี่นยโยมอาตมาไม่ได้เป็นคนบ้าเอาหัวมาติดไปไหนกับจีวอนหรอกนะหัวมันอยากอยู่กับจีวอนเอง ท, ง, ทงทั้งๆที่อาตมาก็ไม่ได้ต้องการมันสักหน่อยอาตมาไม่ได้ฆ่าคนเพราะนี่เป็นหัวของปีาศาจ แต่ถ้าจะหาว่าอาตมาฆ่าปีศาจก็ไม่มีการนองเลือดเพราะอาตมาทําไปก็เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นพระเล่าเรื่องทั้งหมดให้สารฟังโดยเฉพาะตอนที่ท่านไปเจอหัวทั้งห้าหัวลอยอยู่นั้นพระเล่าไปก็หัวเราะไปเสียงดังอย่างชอบบอกชอบใจผู้พิพากษาไม่เห็นขำแต่เข้าใจว่าพระดูถูกการพิจารณาคดีความและกล่าวหาว่าพระเป็นคาตกรใจบาปหยาบช้าจึงไม่ยอมที่จะการไต่สวนกันต่อไป รีบตัดสินให้นําตัวพระไปประหารชีวิตทันทีคณะผู้พิพากษาลงกคำเห็นพร้อมต้องกันยกเ้นผู้พิพากษา ช, าชราคนหนึ่งซึ่งนั่งฟังการดําเนินคดีมาตลอดด้วยอาการสงบเมื่อดียินว่าจะให้ประหารชีวิตจําเลยผู้พิพากษา ช, าชราจึงพูดขึ้นว่าขอให้พวกเราเดิตัวตูหัวให้ละเอียดเสียก่อนเถอะเพราะยังไม่มีการตรวจตราดูเลยถ้าพระพูดความจริงหัวจะเป็นพยานได้อย่างดี ไหนนำหัวมานี่สิพระไครเรียวจึงเปลื้องจีวอนออกแล้วนำจีวอนให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหัวของปีศาจ ต, ติดไปด้วยไปให้ผู้พิพากษาท่านนั้นดูผู้พิพากษาชราพลิกดูหัวปีศาจไปมาหลายครั้งเมื่อพิจารณาดูที่ต้นคอก็เห็นรูปอักษรประหลาดจารึกไว้ด้วยสีแดงเข้มชัดเจนผู้พิพากษาชราเรียกคณะผู้พิพากษาให้ช่วยกันพิจารณาอักรสีแดงนั้นและให้สังเกตรอยตัดที่คอ ซึ่งเป็นรอยเรียบเหมือนใบไม้แห้งถูกปิดขั้วหลุดจากกิ่งไม่เหมือนถูกดาบฟันให้ออกจากกันผู้พิพากษาชราพูดว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระพูดความจริงนี่คือหัวของปีศาจในตำราก็เขียนไว้ผีขอขาดจะมีรอยอักระสีแดงลงจากลึกไว้ที่ตน้นคอนี่อย่างไรขอให้พวกท่านพิจารณาดูเถิดจะเห็นว่าอักระเหล่านี้ไม่ได้เขียนด้วยมึกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปีศาจประเภทนี้ชอบอยู่ตามภูเขาในมณฑลไครมาตั้งแต่โบราณกาลผู้พิพากษาชราจึงหันไปพูดกับพระเคเรียวว่าท่านเป็นพระที่แข็งแรงมากนะขอรับท่านใดพิสูจน์เห็นแล้วว่าท่านกล้าหาญเกินกว่าพระธรรมดาสามัญมากนะักท่าทางของท่านเหมือนจะเป็นพระนักรบมากกว่านะท่านคงเคยเป็นนักรบสบุไรามาก่อนกระมังพระเคยเรียวจึงตอบว่าโยมเข้าใจถูกต้องแล้วทีเดียว ก่อนบวชเป็นพระอัตมาเคยเป็นนักรลมาก่อนอัตมาจึงไม่เคยเกรงกลัวทั้งคนและผีอัตมามีชื่อเดิมว่าอิสโงงัยแห่งเกาะกิวชิโยมอาจจะยังจําชื่อนี้ได้กระมงังทันทีที่พระกล่าวเช่นนั้นทั้งสารก็กระหึมด้วยเสียงพึมพำรแรสดงความชื่นชมคนส่วนมากในที่นี้ยังจําชื่อนี้ได้บั้นดําพระจึงได้เพื่อนแทนที่จะมีคนคอยมาจับผิดอย่างเช่นตอนแรก เพื่อนเหล่านั้นต่างแสดงความชื่นชมสรรเสริญด้วยความเป็นมิตรคนเหล่านั้นนิมนต์พระออกจากศาลตรงไปยังเครือหาต์ของท่านไดเมียวซึ่งต้อนรับขับสู้และจัดพัตตาหารมาถวายอย่างดียิ่งพระไคเรียวออกเดินทางต่อไปด้วยความสบายใจและไม่ลืมที่จะเอาหัวปีศาจติดจีวรไปด้วยโดยบอกกับคนทั้งหลายว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นสองถึงสวันพระไคเรียวก็เดินไปถึงที่เปลวแห่งหนึ่ง พบโจรป่าเข้ามาขวางทางโจรออกคําสั่งให้พระเคลื่อนจีวร อ, ออกและส่งเข้าของที่มีอยู่ให้พระไครเร็กก็ทําตามแต่โดยดีแต่เมื่อส่งจีวรที่มีหัวปีาศาจห้อยติดอยู่ให้โจรก็สะดุง้ทงทั้งๆที่โจรคนนี้เป็นโจรใจกล้ายิ่งนักหน้าตาก็น่ากลัวยิ่งนักโจรทิ้งจีวรลงกับพืน้นทันทีกระโดดโยงร้องถามว่าไอ้เป็นพระภาษาอะไรกันเนี่ยแย่ยิ่งกว่าโจรอย่างข้าเสอีก ข้าเคยเอาชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเอาหัวใครมาติดกับเสื้อผ้าที่เดินไปอย่างนี้นะเออหนิสงสัยว่าพระกับโจรจะเป็นพวกเดียวกันเสียแล้วกับมังขาก็ขอชมเชยนะลุงพี่แต่มันอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับข้าก็ได้ไปไหนๆจะได้บมหลอกให้คนกลัวข้าขอแลกหัวที่ติดจีวร น, นี้กับเสื้อผ้าของข้านะแถมเงินให้อีกห้าเหรียญทองจะตกลงไหมพระใคยเดียวตอบว่า ถ้าเจ้าอยากได้จีวรกับหัวก็เอาไปสิแต่ขอบอกก่อนนะนี่ไม่ใช่หัวคนนะแต่เป็นหัวของปีาศาจถ้าวันหลังต้องเดือดร้อนเพราะหัวปีาศาจนี่ก็อย่ามาว่าแตามาไม่เตือนแล้วกันหลวงพี่ใจเย็นจริงนะฆ่าคนแล้วยังมาพูดเป็นเรื่องตลกอีกแต่ข่าพูดจริงเอานี่เงินส่งหัวติด จ, จีวรมานี่เอาเสื้อผ้าของข้าไปสิอย่าโม้เล่นลิ้นอีกเลย รับเอาไปสิอตมาไม่ได้พูดตลกถ้าจะมีอะไรที่ตลกสักอย่างก็เห็นจะเป็นเรื่องที่โยมเขาพอที่จะเสียเงินเป็นค่าแลกหัวปีศาจนั่นแหละพระครเคยเรียวต่อไปโจรจึงเอาหัวปีศาจที่ติดอยู่กับยีวรไปและนุ่งห่มปลอมตัวเป็นพระแกล้งทําตัวเป็นพระที่มีหัวปีศาจติดอยู่หลอกให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาตกใจเป็นตำามกันแต่เมื่อโจรไปถึงตําบลสุวะและได้ยินคนที่นั่นเล่าถึงประวัติของหัวปีศาจ ก็ตกใจกลัวผีคขอขาดจะมาก่อเรื่องให้เดือดร้อนโจรจึงเอาหัวปีศาจไปที่กระท่อมร้างกลางภูเขาในมณฑลไครโดยตั้งใจว่าจะจัดการต่อหัวเข้ากับร่างของปีศาจให้เรียบร้อยแต่ไม่ปรากฏว่ามีร่างของปีศาจที่ติดอยู่บนกระท่อมแห่งนั้นโจรจึงขุดหลุมฝังหัวปีศาจไว้ในบริเวณดงไม้หลังกระท่อมและนิมนต์พระมาสวดอุทิศบุญกุศลให้ผีคอขาดแล้วตั้งแท่นหินไว้เป็นสำคัญตามบันทึกในตำนาน แท่งหินเหนือหลุมฝังหัวปีศาจก็ยังปรากฏนด้อยู่ที่เดิมตราบจนทุกวันนี้นี่ก็เป็นตำนานของผีหัวขาดหรือผีคอขาดของญี่ปุ่นครับอาจจะแตกต่างกับผีหัวขาดของไทยนะครับแต่ก็นำมาเล่าให้พวกท่านฟังเป็นเกร็ดความรู้เพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับ